มันจากที่ไหนกันอ่ะเชือพวกเสื้อแล้วนี่มันจากที่ไหนกันตบนะอนจั่เเทียาเทียนนี่นะอยู่พนักลานอะนี่อยู่กองทัพค่ะอ่าที่ใสบ่บาทเนี่ย <c oughs> อ่า <c oughs> มาเองก็ได้ไม่ต้องพามาก็ได้ไม่รู้จักที่เพื่อนอยากีมาเหมือนกันก็เลยมาดูก็ ม, มาได้ทุกวันบ่ายสองโมงสองถึงสี่โมงก็จะสนทนาธรรมกันแสดงธรรมกันตอบถามปัญหาทำ มีแต่เรื่องทำเพราะทำเป็นเรื่องเย็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องร้อนเรื่องเงินทองให้ร้อนเรื่องบ้านเมืองร้อนอย่าไปหาของร้อนมาใส่ใจเลยหาของเย็นมาใส่ใจดีกว่าใจเราร้อนเพราะเราไปเอาของร้อนมาใส่ใจเราพระเจ้าบอก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 ก, ก, กังวลก歪รักอะไรแล้วก็ห่วงแล้วก็ห่วงหรือถ้ายังไม่ได้ก็อยากได้ถ้าชังอะไรก็อยากจะทำร้ายเขา อ, อยากจะผลักให้มันหายไปถ้ากลัว ก, ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าหลงก็วุ่นวายใจกังวล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 เพราะฉะนั้นอย่าหลงกับสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่ถ้าเราหลงเราก็จะห่วงเราจะหวงถ้าเราจะไม่สบายใจกุ้นวายใจอยู่กับของที่เป็นของเราของอะไรที่ไม่เป็นของเราเราเราจะไม่ค่อยหวงไม่ค่อยหวงใช่หมรถของคนอื่นนี่เราหวงไหมหวงหม แฟนของคนอื่นเราไปหวงไปห่วงไหมเขาจะเป็นจะตายเราเดือดร้อนไหมพอมาเป็นของเราขึ้นมาปับ๊บเดือดร้อนขึ้นมาทันทีพอเข้ามาเป็นแฟนของเราทีนี้หวงแล้วสิหวงแล้วสที่เราหวงเราหวงเพราะว่าเราอยากจะให้เขาเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาไปเป็นของคนอื่น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 อยู่กับร่างกายนี้อยู่อย่างสบายแต่ตอนนี้เราอยู่ด้วยความวิตกกังวลว้่นวายเวลาร่างกายเป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยขึ้นมาก็เกิดความหวายกลัวขึ้นมากลัวว่ามันจะเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายกลัวว่าจะต้องไปผ่าตัดไปใช้แสง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 เวลามันเจ็บเวลามันตายนี่เราก็พึ่งมันไม่ได้พระพุทธเจ้ า, าจึงสอนว่าอย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆให้มาพึ่งตัวเองอัตตาหิอัตนโนนาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนตอนในที่นี้คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเราก็คือใจ จิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นตัวเราของเราตอนนี้เราไม่มีที่พึ่งในตัวเราเราเลยไปพึ่งที่ไปเพึ่งอย่างอื่นแทนเลยทําให้ตัวเราต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยๆต้องเสีย อ, อกเสียใจอยู่เรื่อย mm. เวลาสิ่งที่พึ่งพึ่งไม่ได้เวลาสิ่งที่พึ่งจากเราไปหรือเสียไป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 เหมือนคนที่เราไม่ได้พึง่งเวลาเขาตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนนสิ่งที่เราไม่ได้พึง่งเวลาเขาเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนเช่นรถของคนอื่นพังไปเราก็ไม่เดือดร้อนบ้านของคนอื่นพังไปเราก็ไม่เดือดร้อนแะถ้าเป็นรถของเราพังไปเราจะเดือดร้อนบ้ <lie> านของเราพังไปเราจะเดือดร้อนร่างกายของเราตายไปเราจะเดือดร้อน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 อร่างกายเราตายไปของทุกอย่างที่เป็นของเราก็หมดสุดก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมด <c oughs> อย่างนั้น <c oughs> พระมุตตาจ่าบอกว่าให้มาหาที่พึ่งที่มีอยู่ในตัวเราดีกว่าที่พึ่งที่มีอยู่ในตัวเรานี้ก็คือความสงบทําใจให้สงบตอนนี้ใจเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไม่หยุดความคิดของเราเนี่ยมันคิดอยู่เรื่อยๆ มันไม่มีมันไม่เคยหยุดคิดเลยแม้เวลานอนหลับมันก็ยังคิดอยู่เวลาเราฝันเนี่มันก็เป็นความคิด <c oughs> แล้วเวลาคิดไปฝันไปก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมามีสุขบ้างมีทุกข์บ้าง <c oughs> แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทุกข์เสียมากกว่าสุขเพราะเราจะไปคิด ในสิ่งที่จะทําให้เราทุกข์กันเพราะสิ่งที่เราคิดนี่มันเป็นไปตามที่เราคิดไม่ได้ที่เราชอบคิดว่าให้ร่างกายเราไม่แก่ร่างกายเราไม่เจ็บร่างกายเราไม่ตายอคิดว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จะอยู่ไปเรื่อยๆ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 ไม่เดือด้อนกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องสติเศรษฐกิจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องอะไรต่างๆไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าท่านไม่ได้พึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่ า, านี้มันจะดีหรือมันจะไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ก็มันได้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 แห้เราเราเลิกถึงพุทโธคิดถึงพุทโธไปในใจไม่ต้องออกเสียงนั่งไปเฉยๆแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าอยู่กับพุทโธได้ก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดแล้วใจก็เย็นสบายเวลาทุกข์กับเรื่องอะไรถ้าเรามาพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ละ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 เราก็เป็นอะไรไปเราก็ทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมคนที่เราไม่ถือว่าเป็นญาติเรานี่เราไปทุกข์กับเขาบ่ะวคนที่เราไม่ถือว่าเป็นเพื่อนเราเราไปทุกข์กับเขาบ่ะของที่เราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเราเนี่ยเงินในธนาคารมีตั้งกี่ร้อยล้านพันล้านเราทุกข์กับมันไหยเพราะมันไม่ได้เป็นของเราฮะถ้ามันเป็นของเรานี่เราจะทุกข์ว่ากลัวว่าเดี๋ยวเกิดธนาคารล่มจะทำยังไง ฝากเงินไว้ในธนาคารเกิดธนาคารมันเจ๊งทําไงร้อยล้านพันล้านก็หมดเนี่ยเห็นไหมอะไรพอเป็นของเราปั๊บทุกขึ้นมาทันทีเดือดร้อนขึ้นมาทันทีฉะั้นต้องคิดว่าไม่ใช่เป็นของเราเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราจริงๆมันเป็นของเราชั่วครั้งชั่วคราวพอเราตายไปแล้วเอาอะไรไปได้ไหยพอเราตายไปเงินในธนาคารที่มีอยู่พันล้านนี่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 ถ้าคิดแบบนี้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปคิดว่าโอ้อ้นั่นก็เป็นของเราไอ้นี่ก็เป็นของเราจะต้องเป็นของเราไปนานๆจะต้องเป็นของเราไปเรื่อยๆอถ้าคิดอย่างนี้เราทุกข์แน่ๆอพอมีอะไรมากระทบหน่อยก็ทุกข์ละวิธีที่เราจะไม่คิดได้หรือคิดในทางนี้ได้เราต้องมีสติต้องรู้จักควบคุมความคิด ความคิดนี้ก็เหมือนกับรถยนต์นะถ้าเราไม่ไม่มีพวงมาลัยไม่มีเบรคนี่เราคุมมันไม่ได้เราเวลาจะให้มันเลี้ยวซ้ายมันไม่เลี้ยวซ้ายนะเวลาจะให้มันหยุดมันไม่หยุดนะอันนี้ใจเราไม่หยุดมันจะคิดว่าเป็นของเราอยู่เรื่อยๆมันจะคิดว่าจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อย อ, อันนี้เราต้องมาเปลี่ยนความคิดอันนี้ให้ได้หยุดความคิดอันนี้ให้ได้น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 ความว่างนี่แหละที่มันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราไปไหนเราเจอความว่างตลอดเวลาล้วมันต้องมีความว่างเราถึงไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่มีความว่างก <GU> <zar iz, S 2> ็ไม่มีไม่มีไม่มีที่ที่เราจะขยับไปไหนมาไหนได้แล้วร่างกายของเรานี <qu ake Immer> ้มันก็มาจากดินน้ำนมไฟน้ำที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปอาหารที่เรารับประทานเข้าไป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 เ ป, เปลี่ยนเป็นคนดินน้นลมไฟนี้มันเป็นของวิเศษนะมันสามารถประสมกันแล้วเป็นอะไรต่างๆได้เยอะแยะไปหมดเลเหมือนกับเวลาเราทําขนมเนี่ยเราก็เอาแป้งเอาน้ําตาลเอานมเอาไข่มาปนกันนำมาทํามันก็ออกมาเป็นขนมต่างๆมีขนมหลากหลายมันก็มาจากของไม่กี่อย่างนี้เอง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 ถ้าที่เป็นขั้วโลกมีแต่หิมะอันนั้นก็ไม่มีธาตุร้อนมันก็หนาวเป็นน้ำแข็งไปหมดมีดินแต่ก็ต้นไม้ก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้มีอากาศมีดินแต่มีธาตุไฟนิดเดียวน้อยมากมันจึงทำหนาวจัด ก, กายกายเป็นหิมะไปกลายเป็นน้ำแข็งไปน้ำก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งไป นียของทุกอย่างในโลกนี้มันมาจากของสี่อย่างนีนะ้มาจากดินน้ําลมไฟเนี่ยไม้ที่เรานั่งอยู่นี้ก็มาจากต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้มันก็มาจากดินน้ําลมไฟสังกะสีนี้เขาก็กุดขึ้นมาจากดินนะมันเป็นเหล็กขุดมาขึ้นมาแล้วเขาก็มามาทําผสมมาใช้ไฟมาหลอมามารีดมันจากก้อนเหล็ก มาทำเป็นแผงของทุกอย่างมันมาจากดินน้ำลงไฟแล้วมันก็อยู่อยู่ไม่ถาวรมันก็มีอายุของมันบางอย่างก็ชำรุดเร็วบางอย่างก็ชำรุดช้าเช่นเด็กนี่มันก็ทนทานกว่าไม้ใช่ไหมไม้มันก็ผุเร็วกว่าเหล็กกีแต่มันช้าหรือเร็วมันก็ต้องผุไปต้องพังไปแม้แต่โลกทั้งใบนี้สักวันมันก็ต้องพังไป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 เอามาเผาหมดไม่หมดมันก็จะเป็นเหมือนโลกเราเนี่ยที่ไม่มีไม่มีแก๊สละโลกเราต่อไปมันก็จะเสื่อมเดี๋ยวทุกโลกยันทวาวันี่ยมันก็ต้องแตกเป็นเสี่ยงเสียงไปนี่คือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาครอบครองตัวเรานะเป็นตัววิเศษเป็นซูเปอร์แมนวะ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 ถึงเวลาต้องไปกันทุกคนถึงเวลาจะต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมเนี่ยร่างกายเวลาตายไปมันก็แยกไปคนละทิดคนละทางน้ําก็ไปทางนึงน้ํามันก็กลับไปรวมอยู่กับน้ําำดินมันก็กลับไปอยู่กับดินล ม, มนก็กลับไปกับลมไฟก็กลับไปอยู่กับไฟดังนั้นเราต้องมาทำสองอยา่าง คือมาพึ่งใจทําใจให้สงบแล้วก็มาปล่อยทุกอย่างที่เราเคยพึ่งอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศซยมันก่อนที่เราจะปล่อยสิ่งต่างๆที่เราอาศัยอยู่ได้ตอนนี้เราต้องมีที่พึ่งกันใหม่ก่อนเหมือนก่อนที่เราจะาทิ้งบ้านเก่าเราก็ต้องไปสร้างบ้านใหม่ก่อนถ้าเราทิ้งบ้านเก่าแล้วเราไม่มีบ้านใหม่อยู่เราจะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหม สมมติเขาจะมาเวรคืนบ้านเราเนี้ยบ้านเราที่เราอยู่ตอนนี้ก็ามาบอกต่อไปนี้จะเวรคืนและรีไปซื้อไปหาบ้านใหม่อยู่นะเดี๋ยววันที่เท่านั้นเท่านี้จะมาเวรคืนแล้วนะดินน้ำลมไฟมันก็จะมาแจ้งบอกเราเดี๋ยวจะเวรคืนร่างกายนี้แล้วนะร่างกายที่คุณอาศัยอยู่เนี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ไม่กี่วันจะต้องขอเอาคืนแล้วนะคุณนีไปหาบ้านใหม่อยู่นะ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 เพราะความสงบในใจนี้ให้ความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากร่างกายพอเราได้บ้านที่ดีกว่าแล้วบ้านที่ไม่พังไม่มีไม่ถูกเวรคืนเราก็ย้ายบ้านได้เราก็ทิ้งบ้านเก่าได้คนที่ได้ความสุขทางใจแล้วก็ทิ้งหมดดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านก็มีบ้านใหญ่โตกว่าพวกเราอีกมีปราสาทสามดดูมีเงินทอง ใช้สอยอย่างเต็มที่เลยอยากจะกินอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรทาได้หมดแต่ท่านก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวต้องถูกเวรคืนหมดท่านก็เลยไม่เอาดีกว่าไปสร้างบ้านใหม่ดีกว่าท่านเลยออกบวช น, นะออกบวชแล้วก็ไปสร้างบ้านใหม่ไปบาเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบหยุดความคิด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 ทีเดือดร้องกันเพราะไม่ยอมปล่อยกันเะมือนเวลาที่เราไปอะไรเอาอะไรนล้คนเจ้าของก็ไม่ให้เราเนี่ยเราต้องแย่งกับเขาต้องดึงต้องลากกันเนี่ยเหนื่อยไหมเช่นไปแย่งลูกกันเวลาสามีภรรยาอยากกันนี้สามีก็อยากจะเอารูกไว้ภรรยาก็อยากจะเอารูปไปก่อจะได้นี่เหนื่อยไหมแย่งกันไปแย่งกันมา แต่ถ้าเราไม่มีถ้าทุกคนปล่อยนี้ก็ไม่ไม่เหนื่อยเลยคุณอยากจะเอาไปเอาไปเลยคนคนให้ไปก็สบายไม่เหนื่อยคนได้ไปก็ไม่เหนื่อยในร่างกายของเราถึงเวลาเขาก็จะมาเอาไปเหมือนลูกร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนลูกของเราเดี๋ยวถึงเวลาสามีหรือภรรยาก็จะมาเอาไปแล้วล่ะตอนนี้ก็ฝากให้เราเลี้ยงเข้าใจไหม ร่างกายนี่เหมือนลูกเลี้ยงเราเลี้ยงเขาไปเดี๋ยวสวันนึ่เจ้าของร่างกายจริงเขาจะมาเอาไปแล้วเจ้าของร่างกายจริงก็คือดินน้ําลมไฟเขาจะมาทําแหละร่างกายล้วดินก็จะเอาส่วนดินไปน้ําก็จะเอาส่วนน้ําไปลมก็จะเอาส่วนลมไปไฟก็จะเอาส่วนลมไปไฟไปแล้วร่างกายหายไปไหนไม่มีเหลือเลยใช่หไหมไปดูคนตายเนี่ยหายไปหมดเลย เราไม่ดูของจริงกันเราก็เลยหลงกันไม่ไม่ยอมมองกันกลัวกันไม่รู้ไปกลัวของจริงทำไมของจริงมันไม่กัดชอบไปกลัวของที่ไม่จริงที่มันคอยกัดเราอยู่เรื่อยไปคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเป็นการมองของปลอมมันก็เลยกัดเราพอมองอะไรเป็นของเรานี่มันทำให้เราทุกข์ไหมถ้ามองว่าเป็นไม่เป็นของเรามันจะทุกข์ไหอ นั่นสิพยายามมองของจริงสิของจริงไม่กัดนะของปลอมที่มันกัดที่เราทุกกันให้พราะเราไปอยู่กับของปลอมกันเราไม่ยอมอยู่กับของจริงกันนั้นเราต้องมาหัดคิดใหม่มาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนไปดีบ้างเปลี่ยนไปไม่ดีบ้างขึ้นขึ้นลงลง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 คิดไปทั้งวันดูสิถ้าคิดได้ทั้วันหนึ่งเราจะเห็นว่าโอ้โหใจเราเบาขึ้นเยอะเลยเคยแบกภูเขาไว้ทั้งลูกไม่รู้สึกตัวเรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องวิตกกังวลต่างๆนี่มันเหมือนภูเขาไหมมันทําให้เราหนักอกหนักใจไหมเพราะเราไปคิดถึงมันนะใช่ไหมพอเราไม่คิดถึงมันนี่มันหายเลยเป็นเรานอนหลับนี่สบายไปชั่วคราวใช่ไหม เวลานอนหลับนี่เรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องวิตกกังวลต่างๆเรื่องหนักอกหนักใจต่างๆหายไปชั่วขา่าวนอกจากคนที่คิดมากก็ไปเอาไปเอาไปแบกต่อในในในความฝันนอนหลับแล้วก็ฝันฝันไล่ฝันไม่ดีแต่คนที่ไม่คิดมากพอถึงเวลาหลับก็หยุดคิดไว้ชั่วขา่าวเรื่องหนักอกหนักใจก็หายไปชั่วขา่าวพอตื่นขึ้นมาพอนึกถึงคนเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอีกแล้วสิไปแบกมันขึ้นมาอีกแล้ว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 ถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปดีกว่าอย่าไปทุกข์ทรมานไปกับมันเลยไม่เกิดประโยชน์ถ้าปล่อยแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะสงบจะสบายเหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยยังต้องมาพยายามฝึกสติกันมาสร้างเบรคมาหยุดความคิดกันให้ได้ถ้าเราพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ พอใจมันจะคิดสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปมันจะคิดอย่างอื่นไม่ได้แต่ใหม่ๆมันจะสลับได้พุทโธคําไปคิดถึงนั่นขำเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาอยู่ใหม่ๆแล้วถ้าเรามีกําลังมากๆเข้าต่อไปมันก็จะอยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วเวลาเริ่มต้นใหม่ๆนี้เวลาเราพุทโธไปมันมันไปวแวะไปคิดเรื่องนั้นเรื่นี้ก็ดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาอยู่เรื่อยๆ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 อย่างนี้ก็หยุดความคิดได้เหมือนกันมันก็มีหลายวิธีการสร้างสตินี้พระพุทธเจ้าบองมีถึงสี่สิบวิธีเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบกรรมฐานก็คือเครื่องมือสร้างสติกันในกลุม่มในสี่สิบนี้ก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มในกลุ่มหนึ่งมีเรียกว่าอนุสติอนุสตินี่ก็มีสิบชนิดพุทธานุสติให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าเออ เนือคิดถึงพระพุทธคุณสวบดบทพระพุทธคุณไปเนื้อจะเอาแค่พุทธโธพุทธโธไปก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะลืมเรื่องต่างๆที่เป็นที่เราไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็จะหยุดความคิดได้ใชมไหมให้คิดอยู่กับพุทธโธเน้อคิดอยู่กับบทพุทธคุณสวบดบทพุทธคุณไปอิติปิโสอรหังสัมมาไปอันนี้เรียกว่าพุ ท, พทธานุสติ เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่เจริญสติที่สร้างสติถ้าเราสวดบทธรรมคุณแล้วก็เอาธรรมะมาเป็น ท, ที่ที่สร้างสติเรียกว่าธรรมานุสติถ้าเราแล้วเกถึงบทสั ง, งคุลเราก็ใช้อะประสงค์เป็นที่สร้างสติขึ้นมาเรียกว่าสังคานุสติถ้าเราใช้ลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานาสติ อาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกอาณาปานะลมเข้าลมออกเราก็มีสติอยู่กับดูลมเข้าลมออกดูเฉยเฉยไม่ต้องไปบังคับลมอย่าไปสูดหายใจแรงๆอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เราไปเราไปทํางานแล้วเราไม่ต้องการให้จิตทํางานเราต้องการให้จิตปล่อยวางให้เฝ้าดูเฉยเฉยปล่อยวางลมอย่าไปบังคับลมลมมันจะอยากก็ รู้ว่ามันยาวมันจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดมันจะหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจยาวก็รู้ว่ายาวไม่ต้องไปบังคับให้มันยาวไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นเดี๋ยวมันสั้นเดี๋ยวมันยาวเองถึงเวลามันจะยาวมันยาวเองถึงเวลามันสั้นมันสั้นเองให้รู้เฉยๆอนาปนสตินี้จะเหมาะตอนที่นั่งสมาธิตอนที่นั่งเฉยๆจะดีแต่พุทธานุสติธรมานุสตินี้สามารถทาได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ําก็พุโทโธไปก็ได้พุทธานุสติไปก็ได้ระลึกไปภายในใจอ ย, อย่าส่งเสียงนะเพราะเดี๋ยวคนก็จะหาว่าเราไม่เข้ารบหลายความจริงไม่ไม่ไม่ผิดไม่เสียหายตรงไหนการระลึลกถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเแต่ว่าอประเพณีนิยมเขากวบอเป็นของสูงเราเข้าห้องน้ําแล้วเราไม่ควรระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ามจริงไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าบอกให้เราเลิกได้ตลอดเวลาทุกแห่งทุกคนเพียงแต่เราเลิกในใจอย่าส่งเสียงออกมาเดี๋ยวไปนั่งเข้าในห้องน้ำแล้วก็สวดปิติตปิโสไปเดี๋ยวคนข้า ง, ข, างข้างเ้าได้ยินเขาบอกอันี่มันไม่เคารพไม่เคารพพระเจ้าเลยเอยอันนี้การการเจริญสตินี้ไม่ต้องออกเสียงนะให้อยู่ในใจให้เรเลิกอยู่ภายในใจสังขารนุสติอาณาปนสติ หรือเราจะระลึกถึงความตายก็ได้ว่าเนี้ยร่างกายของเราต่อไปก็ต้องตายนะร่างกายของคนนั้นก็ต้องตายร่างตายของคนนี้ก็ตายให้คิดถึงความตายไม่ใช่แต่เฉพาะของเราคิดถึงทุกคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างคิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นว่าไม่มีใครไม่มีใครเป็นเลยมีแต่ตายทั้งนั้นอนะจะตายก่อนตายหลังนั้นเองตอนนี้เราไม่คิดกันแล้วคือเป็นกันหมดเลยใช่ไหม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 อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็เรียกว่ากนะายกตาสติวิธีสร้างสติมีหลายวิธีด้วยกันถ้าสนใจก็ลองไปเปิดใน Google ดูนะเขียนนีเข้าไปกรรมาฐานสนะี่สิบก็จะมีให้เราเลือกอยุบหนอพองหนอนี่มันก็แปลงมาจากอาณาปณะสติแทนที่จะดูที่ปลายจมูกก็ให้ไปดูที่หน้าท้อง เวลาหายใจเข้ามันก็พองเวลาหายใจออกมันก็ยุบอันนี้ก็เป็นอนาปานาส ต, ติจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะดูที่หน้าท้องก็ได้ให้ดูเฉยๆให้เฝ้าดูว่าลมกาลังเข้าหรือกำลังออกลมหยาบหรือลมละเอียดลมสั้นหรือลมยาวให้เฝ้าดูแค่นี้เพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ การสร้างสติทั้งหมดนวิธีเหล่านี้มีเป้าหมายอยู่อันเดียวไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ในชีวิตความเป็นจริงนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำอย่างนี้ได้ทั้งวันนอกจากเป็นพวกนักบวชถ้าพวกเราเป็นคารวาสเดี๋ยวเราไปทำงานเราก็ต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็ให้มีสติอยู่กับความคิดของงานการก็ได้ตอนนี้กำลังคิดบัญชีกาลังคิดวางแผน ก็คิดไปอย่าไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจอถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับเรื่องงานการก็ยังถือว่ามีสติอยู่พอเราไม่ต้องใช้ความคิดถ้ามันจะไปคิดเพ้อฝันคิดไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้เราต้องหยุดมันอย่าปล่อยให้มันไปคิดคามันกำลังจะพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจ เวลาอยากได้อะแล้วมันก็อยู่ไม่เป็นสุขล่พะพออยากจะกินขนมนี่อยู่เฉยๆไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปหาขนมมากินแสดงแล้วเราไปพึ่งขนมนะ่ะแทนที่จะพึ่งสติพึ่งความสงบเราไปพึ่งขนมแทนนะอันนี้เราจะมาหัดพึ่งสติพึ่งความสงบโดยที่เราจะไม่กินนะกินขนมนมเนยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่จําเป็นจะต้องดื่มให้ดื่มให้กินได้ตอนให้เป็นเวลาเหมือนเรากินยากินเพื่อร่างกาย ไปกินแบบตามความอยากตอ น, นึกอยากจะกินอะไรก็คว้ามัฟมากินเลยอย่างนี้แสดงว่าเราไปพึ่งขนมนมเนยพึ่งเครื่องดื่มให้เรากลับมาพึ่งสติดีกว่าให้กลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องพึ่งอะไรเวลาเราใจเราหิวเราก็พุทโธพุทโธไปพอหิวก็แฝงก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็ลืมกาแฟก็หายหิวอิ่มขึ้นมา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 ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีมีอะไรมากน้อยเพียงไรถึงเวลามันก็ตายเหมือนกันถ้าเรายอมรับความตายได้อยอมรับความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายได้เราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่อย่างมีความสุขก็ขอให้ลองไปปฏิบัติดูนะไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ต้องพยายามถ้าไม่พยายามไม่มีวันได้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 ราโสยทัสพิีิโยวิวัจันตุสัพพโคกวินาศตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวอภิวัตนสีฤิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวะทันติอายุวโนสุขัง พาลาสาธุใครที่มาที่หนังอยากจะได้หนังสือซีดีก็มาหยิบได้นะหรือต้องการถวายข้าวของอะไรเดี๋ยวจะมีถามตอบปัญหาอีกช่วงหนึ่งใครจะอยู่ฟังต่อก็อยู่ได้ใครอยากจะกลับก็กลับได้อร <c oughs> ามีหนังสือซีดีแจกนะต้องการก็หยิบไป Have you read my books? Anyway. I have read. Uh, I listened to a Dhamma talk from Facebook and also the website. Uh -huh. The answer, the questions you and me that you have uh, done on this. Okay. But you haven't read my books in, I in, in English. I give you a couple books now. Print this and to friends. Yeah, yeah, yeah. Thank you. ของขาวสำหรับไปกันยืนเจ้าค่ะเออะ่าต้องการหนังสือก็หยิบไปนะ จะถามอะไรไหมช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหนระือยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ก็ถามได้นะถ้าไม่ถามเดี๋ยวจะมีคำถามจากทางบ้านตอนนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางเ c e b o o k กับ YouTube ไปทั่วโลกเลย มีโยมคนหนึงอยู่สวิตเซอร์แลนด์นี้ฟังทุกวันก็เป็นเวลาเก้าโมงเช้าของเขาพีของเราบ่ายสองเขาเก้าโมงเช้าบางคนก็อยู่ลาตเมกยดดัสนะาตเมกยดดัสก็ตีเท่าไหร่ตอนี้สองยาบสองยาเมื่อตีหนึ่งตีสาม ลสเวกัสิบสามนิวยอร์กสิบเอ็ดชัวโมงเท็กซสิบสองชั่วโมงลาสวกัสมันก็สิบสิบสามชั่วโมง คำถามทางบ้าน you want to ask a n y t h โอเคขอคาเดียชคครับผมก็ปฏิบัติคณะปิสติมาได้ระยะหนึ่งนะครับผมก็ได e. ้ความสงบความคงที exactly. ่ปฏิบัติครับในการปฏิบัติมีสมัยหนึ่งคือหมดตัมมดอตยตะทัตขมดตัหมดหูไม่ดยินครับไม่รับรู้ถึงลมหายใจไม่รับรู้ถึงกายอยู่ มาตอนนั้นนะครับผมก็จิตก็แยกโลกมาเห็นตัวจิตเองว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่อํานาจของเราฝังไม่ได้ครับผมเมื่อเขาเข้ามาตอนนั้นอความที่เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราก็บอบบางืงกต้องพยายามทําไปเรื่อยๆให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ให้ไม่ให้ไม่ไปเพึ่งสิ่งต่างๆให้มาเพึ่งใจเพียงอย่างเดียว ตัวนี้ก็ปฏิบัติแบบเต่าครับพอเห็นเพิง ท, ที่เราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจอ่าก็รวบรวมเข้ามาลงอยู่ที่ใจครับผมผมรวมรับมัดระห ว, ว่างใจไว้อย่าปล่อยไปตามเพียงที่เราขาดจิตมันตรงออกไปก็ออย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญให้มาหาความสุขจากความสงบทํางานก็เพื่อเนื้อปากเนื้อท้งก็พอนอกนั้นเอาเวลามานั่งสมาธิ มาศึกษาธรรมะดีกว่าถ้ายังไปหาความสุขอยู่ก็สแสดงว่าตอนนั้นหลงใช่ครับตอนอตอนอี้เก็มีเราในชีวิควตคารวะก็มันมีเรื่องกระทบใจหลายเรื่องครับผมงั้นอย่าไปคิดว่าเราเห็นแล้วครั้งเดียวแล้วมันจะทําให้เราหลุดพ้นได้มันหลุดพ้นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวพอเราออกจากสมาธิมาเราก็ถูกกิเลสหลอกให้เราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งต่อไปแั้นเราต้องพยายามฝืนกิเลส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 ให้มีสติอยู่ทั้งวันเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเรามานั่งครับทุกวันนี้ก็ประสาในการปฏิบัติถ้าไม่ได้ใช้ความคิดอะไรก็จะกลับมาที่ลมหายใจตัวเองเอ่แต่จะใช้ความคิดก็ใช้ในความคิดของเรื่องการงานแต่ถ้าหากเกิดหลงไปได้สติก็ดึงกลับมาเช่ถ้ามันคิดไปในทางความหองก็เดี๋มันคิดไปในทางความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรามันก็จะหายหลง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 กอเราเราก็ต้องถามว่าเราเราอยากอะไรเราอยากผู้ชายแล้วเราอยากผู้หญิงถ้าเราอยากผู้หญิงก็อยากไปนอนกับผู้หญิงแต่เราอยากผู้ชายเราก็อยากไปนอนกับผู้ชายเราอยากไปดูที่เพศของเราเราดูที่ความอยากของเราไม่งั้นเดี๋ยวเราเราเป็นผู้ชายแต่เราเราอยากผู้ชายเราเป็นผู้ชายเป็นอาผู้ชายมันก็ใกล้กันอยู่สิเดี๋ยวไฟก็ลุกกันสิใช่ไหม ที่เขาให้แยกกันเพราะเขากลัวไฟจะลุกไปน้ํามันกับไฟก็มักจะไม่เก็บไว้ที่เดียวกันน้ํามันเขาเก็บไว้ด้านหนึ่งไฟเก็บไว้ด้านหนึ่งผู้หญิงก็อยู่ด้านหนึ่งผู้ชายก็อยู่ด้านหนึ่งปีวัดนี่เขาจะมีแบ่งเป็นโซนๆไปโซนผู้หญิงโซนผู้ชายพระเนยจะไม่ไม่ปนกันอันนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศแล่ละสมัยนี้มันต้องดูที่ใจเราว่าเราเร า, เราอยากอะไร อยากสิ่งไหนอย่าไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นเห็นไหมขนาดเป็นผู้หญิงผู้ชายอยากรูปเสียงกลิแล้วก็ยังต้องไปถือศีลแปดกันเห็นไหมไม่ให้ไปอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นราถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวใกล้ทีวีเดี๋ยวมันก็อดที่จะเปิดดูไม่ได้ใกล้ตู้เย็นมันก็อดที่จะเปิดดูไม่ได้เห็นต้องไปอยู่ห่างไกลกับของที่เราอยากนะมนไม่ไม่จําเป็นว่าจะเป็นเพราะว่ามันมีหญิงเพศสองชายเพศสองนี่มันจะแบ่งกันยังไง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 มันไม่ทราบนะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ล่ะที่ไปใจเป็นชายแต่ไปได้ร่างกายที่เป็นผู้หญิงงนี้มันก็ลำบากใจที่เป็นผู้หญิงไม่ได้ร่างกายเป็นผู้ชายมันก็ลำบากดงนั้นก็ต้องถือหลักของทางพุทธศาสนาสอนว่าเราให้รู้จักสังคมดีกว่าเราอย่าไปบังคับสังคมมาให้ทำตามเราดีกว่า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 เอาว้ว่าใจเราจะเป็นชายก็ตามใจเราจะเป็นหญิงก็ตามมันมันมองไม่เห็นน่ะให้ในใจเอาสิ่งที่มองเห็นดีกว่าเนี่ย <Yeah. S 1> งั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในสังคมที่เราเราเราปลอดภัยเราไม่เป็นปัญหากับใครก็เก็บเรื่องในใจแล้วว่าอย่าไปปล่อยออกมาเข้าใจไหมเราเป็นหญิงเราเราจะคิดว่าเราเป็นชายก็เรื่องของเราแต่เวลาเราทําตัวกับสังคมเราต้องทําตัวเป็นผู้หญิงแล้วมันปลอดภัยมันไม่มีปัญหา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 ก็คือเราเป็นใครเราเป็นหญิงหรือเป็นชายใจเราจะคิดว่าเราเป็นอย่างไรก็เรื่องของมันแต่ต้องดูที่ร่างกายเราตอนนี้ร่างกายเราเป็นอะไรเหมือนเราไปขับรถเนี่ยเขาจะมีที่จัดรถขับที่แบ่งให้โซนให้จอดรถรถบรรทุกจอดโซนหนึ่งรถกระบะโซนหนึ่งรถบัสโซนหนึ่งเราขับรถบัสแต่เราบเราเร า, เราคิดว่าเราเป็นขับเราเป็นรถเกง๋งแล้วไปจอดที่โซนรถเก๋งก็ยุ่งเลย อันนี้เราไม่ได้พูดเพื่อบังคับด้วยกิจกันหรืออะไรใครนะไม่เข้ารบสิทธิ์กันไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันต้องมีเหตุมีผลถ้าเราอยากจะอยู่กันร่วมกันอย่างไม่มีปัญหาเราก็ต้องเข้ารบกฎกติกาของสังคมสังคมเขาเขาแบ่งกันด้วยเพศเราก็ต้องเพศทังทางร่างกายเราก็ต้องเข้ารบกฎของสังคมนั้นร่างกายเราเป็นผู้ชายก็เข้าไปเข้าห้องน้ําผู้ชายไปก็หมดเรื่องถึงแม้ว่าใจเราจะเป็นผู้หญิงก็ตาม หรือว่าถ้าเราล่างกายเป็นผู้หญิงแต่ใจเราเป็นผู้ชายเราจะไปใช้ห้องน้ํากับผู้ชายมันยุ่งก็ยุ่งไงนะท่านในหัวให้รู้ตนหรือว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเรื่อเป็นผู้ชายถ้ามันเป็นพระหรือเป็นคาราี่ยอยู่ด้วยกันได้ไหมเป็นพระก็ต้องแยกไปอยู่โซนอย่างเงี้ยเป็นคาราว่าก็อยู่โซนหนึ่งแต่ไปบอกว่าฉันเป็นพ้าแต่ใจฉันเป็นโยมีได้หรืเปล่าเดี๋ยวก็ยุ่งเลย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 แล้วกลับไปหาว่าเขาขีดกันเราเพราะเราไม่ได้เป็นเหมือนเขาฮะใช่เราไม่เป็นเหมือนเขาถ้าเราอยากอยู่กับเขาเราก็ต้องทำตัวให้เหมือนเขาสิใช่ไหมถ้าเราไม่อยากจะอยู่เขาเราก็ไปอยู่คนเดียวมันก็หมดปัญหาไปยั้นก็คําตอบก็คือเราต้องอยู่กับเพศที่เราไม่ชอบไม่ใช่ไปอยู่กับเพศที่เราชอบถึงแม้แวว่าเราจะเป็นอ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 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ทําทานบรารมีเต็มที่แล้วเ อ, อ่อถ้ายังยังมีเงินอยู่ว่าจะยังไม่เต็มที่ต้องทําให้หมดนั่นอ่ะถึงจะเต็มที่แล้วก็ไปบวชได้นะทานบา ร, บรามีนี้มีไว้เพื่อให้เราไปออกเป็นเนคขมะบรารมีเพื่อเราจะได้ไปปฏิบัติศีลบรารมีเนคขมะบรารมีได้เหมือนเนหนังสือเนะี่ยเราต้องจบปหนึ่งเราถึงจะขึ้นปสองได้แต่เรายังไม่จบปหนึ่งเราก็ต้องอยู่ปหนึ่งไปเรื่อยๆ แต่เรายัางมีเงินอยู่ยังทําทานได้ก็แสดงว่าเรายัางทําไม่จบยังเรียนไม่จบถ้า อ, อยากจะเรียนให้จบมีเงินเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดเลยเนี่ยคนที่เขาไปบวชกันเนี่ยเขาทําอย่างนี้กันทั้งนั้นเนี่ยเขาเงินทองเท่าไหร่เขาให้คนอื่นไปหมดเขาจะได้ไปเรียนขั้นที่สองขั้นที่สามต่อไปไปเรียนขั้นนี่ยคัมะบาลมีขั้นอุเบกขาบาลมีปัญญาบาลมีไปเนี่ยคําถามจากคุณนางฟ้า นั่งสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิบริกรรมพุทโธอยู่ตลอดนั่งนั่งอยู่เหมือนหลับวู้เหมือนหลับในช่วงขณะวินาทีดึงสติกลับมาที่พุทโธก็เกิดวูบอีกเป็นระยะระยะไม่ได้สนใจพยายามบริกรรมพุทโธเมื่อได้สติอาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะลูกปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับสับปรงบไงับไม่งคือไม่หลับตลอดเวลาหลับเป็นพักๆก็ลุกขึ้นมาเดินดีกว่า แล้วถ้าอยากจะไม่สับ ป, ประหอกไปหาที่นั่งที่มันน่ากลัวดีกว่าไปนั่งในป่าชาเดูรับรองได้ว่ามันจะไม่สับ ป, ประหอกหรือภาพบางลูกท่านไปนั่งที่ปากเขวถ้าสับ ป, ประหอกโค้ทิ่มลงแบบลงเขวไปเลยอย่างนี้รับรองได้ว่ามันจะไม่สับ ป, ประหนกนะมันจะตื่นขึ้นมาทันทีคําถามจากคุณลุ่งรัฐทําไมนรกหลุมลึกๆเช่นนรกอเวจีถึงส่งบุญไปไม่ถึงครับ คือคําว่านรกนี้แปลว่าความทุกข์ใจความทุกข์ใจมันก็มีหลายระดับระดับเบาระดับกลางระดับหนักเมื่อมันระดับหนักเต็มที่มันทุกข์ร้อยเปอร์เซนตทุกอนูของใจทุกช่องของใจมีแต่ความทุกข์ความสุขก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าทุกข์ปานกลางมันอาจจะมีห้าสิบห้าสิบยังพอมีสุขบ้างสลับกันทุกข์อาจจะเบาลงไปบ้างแล้วสุขโผล่ขึ้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่ อันนี้ก็เป็นเรื่องของระดับของความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจเราใจเราก็เป็นเหมือนตู้เียเราใส่ของได้หลายชนิดถ้าเราใส่ชนิดเดียวมันก็เต็มตู้ช่องอย่างอื่นก็เอาใส่ไปไม่ได้ใจเราเวลาทุกข์มากๆทุกร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยก็ไม่มีช่องให้ความสุขเข้าไปเลยแต่ถ้าเราทุกทุกเพียงระดับครึ่งหนึ่งเราก็ยังมีมีความสุขเข้าไปได้บ้างางั้นการทำบามันมันมีน้าหนัก โทษต่างกันไงในความทุกข์มากน้อยต่างกันถ้าทุกข์มากๆมันก็มันก็จะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวนในนรกเนี่ยมีความทุกข์อย่างเดียวถ้าพวกเปรตพวกเดรัชานี่มันยังมีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปแต่ทุกส่วนใหญ่สุขส่วนน้อยมาเป็นมนุษย์เนี่ยถึงจะได้ห้าสิบห้าสิบแล้วถ้ามีบุญมันก็จะทําให้มีเพิ่มจากห้าสิบเป็นหกสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบไป ตามกําลังบุญที่เราทําไปถ้าเราทําบาปบาปมันมากกว่าบุญมันก็จะมีทุกมากกว่าสุขเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้คำถามจากคุณกาญจนาเบื่อหน่ายวิถีและวิธีดํารงชีวิตทางโลกทําให้เฉยเฉยไม่มีกระติดกระใจจะทํางานบางอย่างสงบที่เคยทําทั้งที่เป็นเดิมคนขยันทางานมาก การเฉยๆทางโลกกับอุเบกขาทางธรรมแตกต่างกันอย่างไรคะคืออุเบกขาทางธรรมนี้จะเฉยทางใจทางอารมณ์จะไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่หลงอันนี้เรียกว่าอุเบกขาทางธรรมทางโลกนี่ทางมันกิเลสเบื่อนายเบื่อนายแล้วก็แล้วก็ทุกข์แต่ทางทางธรรมนี่อุเบกขาไม่ทุกข์มีแต่สุขต่างกันตรงนั้น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 วความทุกข์นี่มันเกิดจากความอยากของเราไม่ได่เกิดจากความเจ็บนึกเกิดความตายของร่างกายเะฉะนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อหยุดความอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ให้ได้คือยินดีที่ให้มันเจ็บยินดีที่ให้มันตายชอบชอบเจ็บชอบตายอย่างนี้แล้วก็จะมีความสุขก็นะถ้ากลัวเจ็บกลัวตายก็จะมีแต่ความทุกข์อันนี้ให้เรามาเปลี่ยนใจใหม่มาหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบ เราไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบเป็นชอบเงินชอบทองก็อย่าไปชอบมันอชอบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าก็อย่าไปชอบมันชอบดูหนังฟังเพลงก็อย่าไปชอบมันเพราะชอบแล้วเวลามันไม่ได้มันจะทุกข์หรือเวลาเสียไปมันจะทุกข์ถ้าไม่ชอบแล้วเวลาเสียไปจะไม่ทุกข์ในทางตรงกันข้ามถ้าไปชอบในสิ่งที่เราต้องได้ถ้าไปไม่ชอบในสิ่งที่เราได้เราก็ที่เราต้องได้เราก็จะทุกข์ เร่อเราไม่ชอบเจ็บไข้ได้ป่วยพอได้มันมาก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไปชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันมาเราก็จะดีใจนะมาหัดทําใจให้เราชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบก็ด้วยการนั่งให้มันเจ็บแล้วก็อยู่กับมันไปอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบมันเองเนี่ยเหมือนคนที่เราไม่ชอบเนี่ยอยู่กันไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบกันเองอะนะมัน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 เคยดูว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราอันนี้ก็อวิชชาเราไปคิดว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี่เป็นของเรานี่เป็นอวิชชาทั้งนั้นเราไปคิดว่าอันั่นสุขอันนี่สุขนี่ ota, เป็นอวิชชาทั้งนั้นเพราะมันทุกข์ทั้งนั้นน่ะได้อะไรมาแล้วสุขแล้วทุกข์ได้มาแล้วเวลาเสี ย, ปยสไป ม, มันสุขแล้อทุกข์เวลาได้มาก็ดีใจแล้วก็ทุกข์กับมันแล้วเสกกลัวมันจะ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 ถามจากคุณงนีเวลาจะชวนคนไปทําบุญฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมแล้วเขามักจะพูดว่ามันอยู่ที่ใจคิดดีทดําดีพูดดีก็พอแล้วเพราะบางคนเข้าวัดบ่อยๆแต่จิตใจไม่ดีก็เยอะแยะไปขอบพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะก็ถ้าคิดดีทําดีพูดดีได้อยู่ที่ไหนได้ก็โอเคไม่มีปัญหากลัวมันจะไม่ได้สิ ควรจะคิดดีพูดดีทำดีในบ่อนได้ไหมในบาได้ไหมในที่ทำงานได้ไหมมันจะตีกันอยู่เรื่อยเห็นไหมอยู่ที่ทำงานแข่งแย่งชิงดีกันมันจะไปสับเพสตาได้ยังไงเมื่อต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันมันถึงจะไปหัดคิดดีพูดดีทำดีได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราคิดดีพูดดีทำดีได้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นก็ได้ไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้คนที่เขาไปที่วัดไปหาที่สงบเพราะเขา จะทำให้เขาคิดดีทำดีได้ง่ายคำถามจากคุณวิไลลักษณ์พระที่ป่วยอยากฉันอาหารโดยสั่งญาติโยมให้นำมาถวายจะผิดศีลไหมคะไม่ผิดศีลเนี่ยแต่เป็นผิดสัมมาวิสัยเป็นพระนี่ท่านให้มักน้อยสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดคำถามจากคุณเกษรา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 แล้วแต่เราเราอยากจะกวดให้ใครก่อนก็กวดไปไม่ต้องใช้น้ําก็ได้เวลาทําบุญน้ํานี้ไม่ใช่บุญที่เรากวดนี่เรากวดบุญเป็นแต่บุญมองไม่เห็นเขาก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเ น, นี่น้ํานี่เป็นเหมือนบุญนะแล้วเทไปก็เหมือน้มันก็ไหลไปตามที่ต่างๆใจของเราที่มีความสุขนี่เราก็สามารถส่งไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เราจะนึกถึงใครก่อนก็แล้วแต่เราเรารักใครมากก็เอาคนนั้นก่อน รักใครน้อยก็เอาคนนั้นน้อยแล้วแต่เราเราจะอยากจะส่งไปให้ใครเราก็เราก็ระลึกไปภายในใจหมดแล้วเหรอี่คำถามจากคุณเขมทําไมเวลาทําบุญให้ทานไม่ค่อยมีความรู้สึกว่ามีความอิ่มใจเห็นคนอื่นบางครั้งทําทานไม่มากแต่เขามีความสุขอิ่มใจดีใจมากแต่ตัวเองไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ก็พยายามทําอยู่ตลอดคะ่ะ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 อ้าให้ข้าวเขาไปเราเสียสละอย่างจริงจรงจรังๆนี่จจจใจของเราจะมีความสุขมากคาถามจากคุณชาติยาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอยู่ที่ใจหมายความว่าอะไรคะหรือว่าใจเรานั่นเองคือพระพุทธธรรมสงฆ์คะคือพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตัดสัตวธรรมพระธรรมคําสอนก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้า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 อดข้าวสี่สิบเก้าวันแล้วก็อดแค่วันละมื้อก็พอกินวันละมื้อก็พอไม่ต้องไปถึงสี่สิบเก้าวันทํานี้ไปปฏิบัติไปแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นมาพอเป็นสุปฏิปันโนก็เป็นอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาพอเป็นพระสงฆ์ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะดับความทุกข์ภายในใจได้ อันนี้คือพระพุทธธรรมประสงค์ภายในใจกับพระพุทธธรรมพระสงค์ภายนอกใจเราต้องอาศัยพระพุทธธรรมประสงค์ภายนอกก่อนเราถึงจะสร้างพระพุทธธรรมประสงค์ภายในใจขึ้นมาได้ถ้าไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์ภายนอกเราก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราจะไปปฏิบัติกันได้ยังไงก็ทําแบบศาสนาอื่นไป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 วัวควายมันก็กินผัก ก, กินหญ้าบุญไม่ได้อยู่ที่การกินผักกินหญ้าหรอกถ้าถ้าบุญอยู่ที่แกงกินเจวัวควายมันก็เท่าไรบุญมากกับพวกเราเลยบุญทางพระพุทธศาสนาก็แสดงไว้ฟังแล้วเกิดจากการทําทานเี่ยถ้าเราเอาเงินทองนี่ไปไปช่วยเหลือคนอื่นไปให้คนอื่นไปสอ่องคล้อยคนอื่นให้บรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นนี่อันเนี้เรียก็ได้บุญแล้ะ หรือเรารักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราเป็นคนที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่เพื่อมาทํากับข้าวถ้าเราเลิกฆ่าอย่างนี้ก็เราก็ได้บุญแต่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าเองเราไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเรามีของขายของที่ตายแล้วในตลาดเราซื้อมากินมันก็ไม่บาปมันก็ไม่ได้บุญมันเป็นเพลินมือนก็เป็นเหมือนกับกินผักหรืไม่กินผักบุญไม่ได้อยู่ที่ว่าการกินผักหรือไม่กินผัก อยู่บุญอยู่ที่การทำทานอยู่ที่การการักษาศีล <c oughs> อยู่ที่การฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ย <c oughs> กินเจแล้วไม่มาฟังธรรมกับคนที่กินเนื้อแล้วมาฟังธรรมคนมาฟังธรรมได้บุญกว่ากับคนที่กินเจแต่เนื้อที่เรากินต้องเป็นเนื้อที่เราไม่ได้ฆ่าเองื้อสั่งให้ฆ่านะเป็นตามร้านอาหารก็มีฆ่าอยู่ขายอยู่แล้วเราไปซื้อมากินอย่างี้ไม่บาปแต่ก็ไม่มไม่ไม่ได้บุญไม่บาปกินผัก สังผักที่ร้านมากินก็ไม่ได้บุญเหมือนกันอยากจะได้บุญมาฟังเทศฟังธรรมแล้วมันจะได้รู้ว่าบุญกับบาปเป็นยังไงเพิ่ได้ฟังมาครับอาจารย์อคนเขารักขโมยของแล้วโดนตำรวจจับแล้วเขาถามว่าอา้าวจะกินอะไรก่อนไหมเขาบอกขอขอไปกินเจแล้วกันครับขออาหารเจจุ่มกินเจแต่เรขโมยของก็ดื่นคำถามจากคุณแบงค์ ปฏิสมุทรบาทคือความหมายจริงๆคืออะไรครับใช่ทุกสมุทรไทยนิโรจมั้ยหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นการทํางานของกิเลสของอวิชชาอาวิชชามันหลงมันไม่รู้ว่าความสุขอยู่ในใจมันก็เลยออกไปหาความสุขข้างนอกมันก็เลยต้องใช้สังขารเพื่อมาสั่งร่างกายต้องคิดก่อนวันนี้ไปกินก๋วยเตี๋วดีไหมไปดื่มกาแฟดีไหมไปดูหนังฟังเพลงดีไหม พอคิดว่าดีปั๊บมันก็สั่งให้มันออกมาทางตาก็ต้องมีวิญญาณเป็นตัวเชื่อมโดยวิญญาณนี่จะเชื่อมใจกับร่างกายไงใจจะจะเห็นรูปได้ต้องมีวิญญาณมาที่ตาก่อนแล้วพอตาลืมเห็นภาพมีสัมผัสปั๊บมันก็จะเห็นภาพเห็นกว๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเวลากินเข้าไปในร่างกายมันก็ได้สัมผัสกับรสกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็ต้องมีสังขารคิดก่อนแล้วก็มีมีวิญญาณไปไปไ ป, ไปรับ เอาลูกเสียงกินรดเข้ามาในใจ <Yeah. S 1> พอได้รับแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขเวทนาขึ้นมาพลเกิดสุขเวทนาก็เกิดตัณหาความอยากอยากจะสุขอยู่เรื่อยๆก็เลยกินชามเดียวไม่พอมันสุกก็เลยกินอีกชามอีกสองชามเนี่ยกินมากกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายก็เลยกลายเป็นตุ่มไป <laughs> แล้วพอพอกินแล้วก็ติดอุปทานต้องอยากกินอยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวก็อยากกินอีกละกินไปสักแป๊บเดียวพอหายพอหายอิ่มแล้วก็อยากจะกินขึ้นมาอีกละอพอร่างกายตายไปมันก็ยังอยากกลับมากินต่อมันก็เลยไปกลับกลับมาเกิดใหม่นี่เขาเรียกว่าการทํางานของของวิชาในปฏิจจสมุปบาทท่านสแสดงไว้อย่างนี้อวิชามันจะคอยออกฮะเอกทางตาหูจมูกลิ้นกายอพอร่างกายนี้ตายไปก็มาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ เนี่ยเราทําอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านครั้งละแต่ถ้าเรามีธรรมะมาแทนอวิชชาเรบอกว่าทุกอย่างการกินกว๋วยเตี๋ยวนี่เป็นทุกข์อย่าไปกินมันอย่าไปอยากกินมันเอาอยากจะมีความสุขไปนั่งสมาธิดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าพออยู่เฉยๆใจสง บ, บก็ไม่ต้องออกทางตาหูจมูกนิ้วไก่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เนี้คือปฏิจจสามุปบาท คำถามจากคุณวาสนาการที่ใส่บาตรหรือทําบุญอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากบ้านลูกจะยกขึ้นจบบ้าสาทุกอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับคือเหมือนอธิษฐานหรือเปล่าก็ถามว่าแต่เขาทาอะไรบ้างนะก็ <c oughs> ยกขึ้นมาแล้วก็ว่ายอย่างไงรก็บางคนเขายกแล้วขอขอให้ได้นูน่นให้ได้นี่บางคนก็เคิดว่าเขาเขาขอขอให้ได้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยการอธิษฐาน ม, มีสองแบบ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 ข้อที่สองเวลาเราจะอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นเราพูดสาธุหรือต้องอนุโมทนาสาธุคะถึงจะถูกก็เหมือนกัน่ะมันแปลคาหมายเดียวสาธุแปลว่าดีแล้วอนุโมทนาก็เออ่ขอบใจหรือว่าดีใจกับการกระทําของคุณชื่นชมกับการกระทําของคุณอไม่พูดก็ได้อคือเวลาเห็นใครเขาทาความดีอย่าไปอิจฉารืษยาเขาก็พอล้ว ชอบไปอิจฉาเขาเลยพอเห็นใครเขาทาดีกับเราหน่อยนี่ไปว่าเขาแล้วทำเอาหน้าบ้างทำอะไรอย่างงุ่นอย่างงี้บ้างอย่าไปคิดอย่างนั้นใครเขาทําการดีก็เอ อ, อนุโมทนาไปเขาเพราะการทําความดีไ ม, ไม่ทําอะไรให้เสียหายแต่เขาอาจจะได้ดีได้ดีมากกว่าเราแล้วก็กลัวเขาจะได้ดีได้ดีในแทได้อนุโมทนาไม่ออก ปลอยเองก็ทำความดีชิปหายแล้วเดี๋ยวมันจะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันเดือนมันจะมากกว่าเราอาเป็น <laughs> <laughs> <laughs> หมอให้อนุโมทนาแล้วเราจะได้สบายใจแล้วมีความสุขใจจะได้ไม่มากังวลใจเพราะเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะทําความดีเราไปห้ามเขาได้ที่ไหนคนก็จะทำความดีก็ปล่อยก็ทําไปอ่าว่าต่อไปคำถามจากคุณพิมพ์ เวลานั่งแล้วจิตรวมตัวลงไปหลุดจากตัวหยาบหนีไปสงบแล้วจะทำยังไงต่อคะก็ให้มันสงบไปนานๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทำอะไรประคับประคองด้วยสติให้มันสักแต่ว่าไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วอย่าไปพิจารณาไปทำอะไรตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาพิจารณาอต่พิจารณาต้องเวลาจิตออกจากความสงบแล้วมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดทางปัญญาไป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 เราจะได้บุญหรือเปล่าเจ้าคะไม่ได้หรอกไม่ได้เลยค <laughs> <laughs> ่อถามจากคุณทวิชานำเงินถวายหน้าหิ้งพระทุกวันโดยอธิษฐานว่าปัจจัยนี้จะบำรุงพระศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปและถ้าจะ และถ้าเราแลกเงินที่เราอธิฐานไปแล้วเท่ากับเราหยิเงินนั้นมาใช้หรือเปล่าคะไม่ถ้าเป็นเงินจํานวนเท่ากันเนาะถ้ามันเป็นเหรียญเนาะมันขนไปใหญ่ลำบากแล้วก็ไปแลกเปแบงก์มาขอให้มันปริมาณเท่ากันกันแล้วกันหรือมากกว่าก็ได้แต่อย่าให้มันน้อยกว่ากัแล้วกันถ้าน้อยกว่าก็เรียกว่ายักย อ, อกยักย อ, อกบุญที่ถามสุดท้ายจากคุณหน่ย่ย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 ถ้าเราไม่มีความเห็นอย่างนี้เราไม่เชื่อว่าตายแล้วเราค Hoy, today, degree, ิดว่าตายแล้วศูนตายแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกเราก็จะไม่คิดที่จะทําบุญทําบาปดีกว่าสนุกกว่าใช่ไหมกินเหล้ามันสนุกกว่าไม่กินเหล้าใช่ไหมเล่นการพนันมันสนุกกว่าไม่เล่นการพนันทําบุญแล้วเสียเป่าๆทาไปทําไมถ้าทำแล้วไม่ได้ผลอะไรก็จะไม่มีใครทําบุญคนที่ไม่เชื่อว่าบุญไม่มีผลตามมาหลังจากที่ตายไปเขาก็ไม่ทําบุญกัน แล้เราต้องเชื่อว่าบุญมีผลตามมาบาปก็มีผลตามมาการเวียนว่ายตายเกิดก็มีผลตามมาตายแล้วเราต้องไปเกิดต่อยถ้าเรายังไม่ได้สามารถหยุดความอยากต่างๆได้เราก็ลองไปเกิดต่อไปเรื่อยๆถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มาทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้ถ้าเราทําตามแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้รับก็คือได้การยุติของการเวียนว่ายตายเกิด